นักบตัสสะพควโตอระหโตสมมาสมบุตตัสสะนักบตัสสะพควโตอระหโตสมมาสมุตตัสสะนักบูตัสสะพควโตอระหโตสมมาสมบุตัสสะคุังธมังสังัง จะนั่งกัชามีที่นั่งตามสบายตลอดระยะเวลามา49ครั้งมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นมันก็มีเพียงแค่การที่จะปฏิบัติเพื่อการฝึกตน ฝึกฝนตนเองฝึกฝนตนเองคือฝึกฝนจิตใจอันมีอยู่ในตนจิตใจที่คอยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจับมาฝึกทตาไม่ฝึกมันยุ่งเพราะมันรู้เกินไปนอกจากมันตั้งใจที่มันตั้งหน้าตั้งตารู้แล้วเนี่ย มันโง่ด้วยแต่ความถูกต้องความจริงความใสสว่างความโปร่งใสความดีงามมันจะต้องมีความสว่างด้วยความรู้ที่ถูกต้องแล้วมันจึงจะไปรู้สิ่งต่างๆได้ถูกต้องถ้ามันไม่รู้ มันมีความมืดความไม่รู้อยู่โดยธรรมชาติที่มันเป็นธาตรู้มันก็ใจยุ่งเพราะว่ามันไปนรู้รู้มากรู้เยอะรู้เกินรู้จนไม่รู้เรื่องเรียกว่ารู้มากจนไม่รู้เรื่องนั้นมนุษย์ที่มีกายใจคือยังไม่ตายถ้า ไม่ฝึกใจไม่พัฒนาความรู้ไม่พัฒนาจิตที่จะต้องรู้ความเป็นธรรมชาติรู้ของใจด้วยอวิชชาความมืดความไม่รู้นั่นแหละแต่มันเป็นธรรมชาติรู้ด้วยความไม่รู้มันจึงหลงผิดหลงทาง เราอยากจะไปสวรรค์พระนิพพานมันไปไม่ได้มันลงไปนรกเปรตอสุรกายและเดริชานเราอยากมีความสุขใจมันก็อยากมีความสุขแต่มันได้ความทุกข์มันอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ เพราะคิดว่าเมื่อได้มาแล้วมันสุกแต่แล้วมันก็ทุกข์เพราะมันรู้ไม่จริงมันรู้โดยธรรมชาติแต่มันมีความไม่รู้เป็นคุณสมบัติอยู่ความไม่รู้ที่มีอยู่นี่แหละมันทำให้ธรรมชาติรู้นะรู้ไม่จริงรู้ไม่ถูกรู้ไม่หมดรู้ไม่จบรู้ไม่รอบ แล้วก็หลงสําคัญว่ารู้แล้วความหลงความหลงอันเป็นเอิให้สําคัญตนนี่แหละมันบอกหลอกตัวเองว่ารู้แล้วเก่งแล้วดีแล้วเลิศแล้วนอกจากว่ามันหลงตนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะ มันยังเมาตนด้วยเมาตนอย่างไรเมาตนว่าเหนือเขาเก่งกว่าเขาชนะเขาดีกว่าเขานอกจากหลงตนเมาตนเรายังมีสำคัญตนสำคัญตนคือใครดีกว่ากูไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้ ใครได้ดีกว่าตนไอความสำคัญตนก็จะออกมาใครโชคดีกว่าตนความสำคัญตนก็จะออกมาใครได้รับอะไรที่เหนือกว่าตนความสำคัญตนก็จะออกมาความสำคัญตนนี่มันจะออกมาในลักษณะที่ความโอ้อวดความยิ่งจองหอง โอ้ oh, อวดคือรู้น้อยๆแต่คุยเยอะๆนี่เรียกว่าโอ้ oh, อวดหรือไม่รู้แต่ทำเป็นรู้ไม่ดีแต่ทำเป็นดีไม่เก่งแต่ก็อวดเก่งมีน้อยแต่ก็อวดมาก พวกนี้พวกสำคัญตนเหมือนว่านาคีมีพิษเพียงจุริโยเลือ่อยบ่อทำเดโชแชมชาพิษน้อยยิงโยโชมาแงป่องชูแต่หางเองอาอวดอ้างฤทธิ์ี่นัน่นความสำคัญตนอวดตน หลงตนเมาตนมันมาจากไหนมันมาจากธรรมชาติของจิตที่มันเป็นธรรมชาติรู้นี่แหละโครงโลกกนิตที่ว่าเมื่อกี้นั่นนะนาคีมีผิดเพียงสุริโยเลื้อยบวธรรมเดโชแชมชาพิดน้อยยิงโยโซแมลงป่อง ูแต่หางเองอาอวดอังฤทธิ์ทีนาคีคืออะไรอสศรพิษนะอสศรพิษนะนาคีมีพิษเพียงสุริโยคือว่าอสรพิษนี่มันมีพิษมากเปรียบดังพระอาทิตย์เลื่อยบทธรรมเดโชเช่มช้า เวลามันเคลื่อนที่เดินเลื่อยเนี่ยไปเรื่อยๆช้าๆแต่ว่าไอ้พวกพิษน้อยๆเนี่ยเหมือนแมลงป่องนิดเดียวอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยเฉียวนิดเฉียวหน่อยก็ชูหางตัวเองชูแต่หางตัวเองพร้อมที่จะ ขย่ำพร้อมที่จะทําลายพร้อมที่จะรบไม่ว่ากับใครหน้าไหนทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่พิดเกินนิดหนึ่งนั่นนะความหลงตนความเมาตนความสําคัญตนมันเหมือนแมลงป่องในที่สุดแล้วมันจะทําให้อวดตนมาจากไหนมาธรรมชาติมาจากธรรมชาติของจิตที่มาเป็นธรรมชาติรู้นี่แหละ แต่ว่ามันไม่รู้มันก็เลยเอาความไม่รู้นี่แหละไปทำเป็นรู้รู้รู้ตามธรรมชาติของมันมันก็เลยยุ่งยุ่งไปหมดทุกเรื่องทุกด้านพลวันพลวนกันไปหมดเป็นเงื่อนเป็นปมสางไม่ออกแก้ไม่ได้มาจากไหนมาจากธรรมชาติจิตนี่แหละ จากธรรมชาติจินี่แหละเพราะฉะนั้นความเกี่ยวพันระหว่างจิตกับสภาพทั้งหลายกับสภาพทำทั้งหลายเนี่ยมันจึงจะต้องเริ่มต้นที่รู้รู้จากตัวไหนรู้จากตัวกาหนดรู้ไปกาหนดรู้อะไร อย่างตัวของเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจเวลาเราดูตัวเราเองเราไม่ได้ดูด้วยการกาหนดรู้แต่เราดูด้วยการหลงด้วยความเมาด้วยความํำคัญตนด้วยความเพลินตนหลงตน ถ้าเราดูด้วยการรู้กำหนดรู้คือเพียงแค่รู้มันว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรเกณฑ์ในการรู้นี้เราจึงจะต้องเจออะไรสำหรับคนทั่วไปถ้าไม่เจอพระอริยไม่เจอสัตบุรุษไม่ได้ควังธรรมของพระอริยไม่ได้ควังธรรมของสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ฉลาดในธรรมของบุรษุษของสัตบุรุษ ก็จะไม่ได้รับความสว่างของความรู้ว่ามันควรจะไปเริ่มต้นที่ไหนแต่เราเกิดมาโชคดีมีพระพุทธเจ้าเราโชคดีที่มีเหล่าพระอริยาสาวกพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพรเ่าอริยอันประเสริฐเหล่าสาวกทั้งหลายก็เป็นสัตบุรุษ บางคนก็โชคดีเจอหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านสอนอย่างเป็นธรรมสอนอย่างถูกต้องอย่างตั้งใจถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอเราพระอริยสาวกทั้งหลายไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องเราก็ไม่รู้มาให้รู้เสร็จมันก็ยังมัวหลงตนเมาตนสำคัญตน แล้วในที่สุดก็อวดตนเมาตนไปเรื่อยๆนั้นยากมากที่จะพาตัวเองพารูปพานามนี่ให้มันพ้นได้สหบได้มันก็จะจมปลักหมกแช่อยู่ในหลุมของวัฏฏทสงสารอยู่อันเป็นกองทุกข์เป็นอยากเยื่อแห่งความมัวหมองเป็นใยของมนทินเป็นหลุมขยะ ที่จะต้องหมักต้องดองสิ่งที่ชื่อว่าอาสวะอยู่ไม่จบไม่สิน้นทุกภพทุกชาติทุกวันทุกเวลาแม้ในขณะที่อยู่กับตัวเองทุกขณะที่เป็นปัจจุบันของตนเองมันก็ยังเอาขยะมาถมมาทับใส่ตนสั่งสมอาสวะไปเรื่อย อาศาวะที่หมักม่มย้อนอยู่ในจิตนั้นมันมากมายกายกองเหลือเกินไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบไม่รู้อะไรเอาอะไรมาเทียบอันนี้แหละมันมาจากไหนก็มันมาจากธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตนี่แหละที่มันเป็นธรรมชาติรู้แต่มันไม่รู้มันก็เลยรู้ด้วยความไม่รู้ มันก็เลยทำให้โง่ทำให้หลงทำให้เมาทำให้ติดทำให้จมทำให้จนทำให้ตกอับทำให้เสื่อมทำให้ฟุ้งซ่านทำให้ไม่สงบนั่นหะมาจากนี่เองก็คือจิตนี่แหละนี่การฟังการปฏิบัติมาจากไหนมาจากการที่เราได้มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้านี่แหละทีนี้ ชีวิตของเรามันเริ่มต้นเป็นมงคลเริ่มต้นดีตรงที่เรามีพระพุทธเจ้าเรามีพระธรรมคำสอนของพระองค์เรามีเหล่าพระอริยาสาวกมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรงพระธรรมวินัยสืบทอดพระธรรมคำสอนเผยแผ่กันมาจนถึงทุกวันนี้จนมาถึงเราเราจึงได้มีโอกาส เสพกัละยาณมิตรอย่างเป็นผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพิทุสงฆ์เนี่ยเสพกัละยาณมิตรแบบนี้จิตมันก็เปิดธาตุรู้มันก็ก็ตั้งหัวถูกคําว่าตั้งหัวถูกเหมือนกับเราจะปั่นจักรยานนั่นแหละการได้เจอพระพุทธเจ้าการได้เจอประธรรมคําสอนการได้มีโอกาสควงังการได้มีตั้งความตั้งใจพิจารณาใค ร, คร่วำควรทําคําสอนนี่ มันเหมือนเราจะปั่นจักรยานแล้วก็ตั้งหัวให้ตรงเมื่อตั้งหัวตรงใกล้ครวรพิจารณาต่อไปเส้นทางที่วางอยู่นั้นกดตรงเพราะเส้นทางที่วางอยู่มันตรงมันถูกตามแผนที่ชัดเจนทีนี้พอรถเคลื่อนขยับเราก็ปรับคองรถพร้อมกับออกแรงปั่นจักรยานนั้นรถก็จะวิ่งไปถึงจุดหมาย อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญของพวกเราเนี่ยเราได้กันมาหมดไม่มีใครที่ไม่ได้ได้กันมาหมดทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็ได้ที่ควังอยู่ตัางบ้านก็ได้ทุกคนได้หมดแต่เพราะอะไรที่เราไม่สามารถที่พากายใจนี้ให้มาอยู่ในเส้นทางอันใสสว่างนี้ ความหลงตนความเมาตนความเพลินตนความอวดตนความสำคัญตนมันพาเราไปไหนมันพาเราไปที่ไหนไปที่ที่ว่าให้เรามันดีให้เรามันเด่นให้เรามันเก่งพอมีสามีก็ให้สามีเรามันดีให้สามีเรามันเก่งให้สามีเรามันเด่นให้สามีนั่นเป็นของเราคนเดียวเป็นพันธุตาเป็นสามี ก็ว่าให้เรามีพันญานี่พันญาของเราพันญาเราของเราดีพันญาเราของเราเด่นพันญาเราของเราสำคัญที่สุดต่อเราคนเดียวพอมีลูกก็เหมือนกันลูกเราดีลูกเราเด่นลูกเราเก่งลูกเราต้องสำคัญลูกเราต้องดีต้องเด่นลูกเราต้องเป็นของเราอย่างนี้มันเป็นใช่อย่างนี้นี่แหละความหลงตนเมาตนพออะไรก็ตามที่มันทาท่า จะเปลี่ยนแปลงมองไม่มองว่าดีหรือไม่ดีแต่คิดว่ามันไม่ดีคิดว่ามันเปลี่ยนไปจากเราอำนาจที่ใจของเราปอยผูกพันแล้วบังคับสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเราว่ามันเป็นของเราเนี่แหละมันคืออะไรมันคือการมาราคะทั้งนั้นกามราคะนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นกามอย่างเป็นกาม อย่างที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวนะกาม า, าคะคือว่าอาการที่จิตมันเกิดความพอใจเลอกไปกาหนดในเสียงที่ชอบนี่ก็เป็นกาม า, าคะอาการที่ใจมันไปกำหนดระลึกนึกถึงความอริดอร่อยแล้วก็กำหนดรูปที่ชอบนี กำหนดเสียงที่ชอบกำหนดกลิ่นที่ชอบกำหนดการสัมผัสที่ชอบกำหนดอารมณ์ที่ชอบเหล่านี้เป็นการมราคะทั้งนั้นทั้งนั้นทำไมอะไรเป็นเครื่องวัด ร, ระหว่างการมราคะกับเบตตาเออให้เราพิจารณาดูสิ บางครั้งเราบอกว่าอันนี้เราเบตาน ะ, ะเบตากับลูกสอนลูกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกนะออและเราว่าเรารักลูกนี่เราเบตาแต่พอมันไม่ทำตามเราโกรธอ้าวทำไมเราโกรธล่ะทำไมเราโกรธล่ะเพราะลูกไม่ทำตามเพราะมันเป็นกล ร, รมมาราคะมันไม่ใช่เบตา ถ้าเบตามันไม่โกรธเพราะถ้ามันเบตต า, ตาพอลูกไม่ทําตามมันก็จะหลบมาอยู่ที่อุเบกขานั่นนั่นอา้าวเราเนี่ยมีความจริงใจมีความรักต่อสามีของเราหวังที่จะให้สามีของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอออย่าออกไปข้างนอกมืดๆนะมันอันตราย เดี <información, S 2> mm ๋ยวไปเจอตูบัติเหตุเดี๋ยวเจอสัตว์เลย่อยเขี้ยวเข็บแต่เขามีความจําเป็นเขาออกไปโดยไม่วังเราเขาฟังเรานนัแต่เขาไม่ได้ทําตามทุกเรื่องเราเป็นยังไงโกรธโกรธได้เป็นยังไงในใจมันก็แช้งชักหักกระดูกอาการที่มันห้ามหวังดีต่อเขาว่ารักเขานั่นแหละแต่พอเขาไม่ทําตามเราโกรธนั่นแสดงว่าเป็นกามมารคะ มันไม่ใช่เบตตามันไม่ใช่ความจริงใจของความรักเพราะถ้ามันจริงใจมันเบตตามันจะต้องจิตต้องลบไม่จะกลับไปที่โทสะมันจะต้องลบกลับลงที่อุเบกขาแต่มันไม่ไปกรุณามันไปไม่ได้หรอกเพราะาขอมันเริ่มต้นในความรักเพราะเขาไม่ทําตามมันจะไปตั้งหน้าตั้งตานั่งกรุณาน่ยมันไปไม่ได้มันต้องลงไปที่อุเบกขามันก็ต้องรู้จักวางเฉยนั่นแหลเรียกว่าจริงใจโดยเบตตา เพราะฉะนั้นการมราคะไม่ใช่หมายถึงเรื่องอย่างว่าเพียงอย่างเดียวมันทุกทุกเรื่องในรอบตัวของเราอันนี้มันมาจากไหนละ่ะก็มันมาจากธรรมชาติของใจที่มันเป็นธรรมชาติรู้แต่มันไม่รู้และเมื่อมันไม่รู้ มันจึงรู้ไปโดยที่ไม่รู้นี่แหละมันเลยสะสมเรื่องราวต่างๆที่เราเรียกกันว่าอาสวะคือมันหมักดองหมักม ม, มอยู่ท่วมจิตท่วมใจของเราบางคนนั้นไวไม่ไวแล้วฮึดมาสู้ฮึดสู้มาทั้งชีวิตเป็นกี่ข่านิวอน เป็นคี้ข้ากรรมมาฉันทะเป็นขี้ข้าพยาบาทเป็นคี้ข้าความหูดหงิดเป็นคี่ข้าความคิดมาตลอดชีวิตจนมีทางโลกเขาสมมุติว่ามีความเป็นปึกแผ่นมีความแข็งแรงมียศมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองมีครบครัวมีทรัพย์แต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไป มันยังไม่พอแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรลูกก็มีแล้วครอบครัวก็มีแล้วบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วงานก็มีแล้วเงินก็มีแล้วรายได้ก็มีแล้วรายจ่ายก็เพียงพอบริวารก็มีแล้วอานนท์ก็มีแล้วอันนี้ก็มีไอ้นั่นก็มี แต่มันไม่รู้ว่ามันยังไม่มีอะไรแต่มันยังต้องหาต้องดิ้นรนอยู่นั่นนะมันยังต้องหาต้องดิ้นรนอยู่นั่นแหละเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นเพราะไอ้สิ่งที่ว่ามีแล้วมีแล้วมีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ใจแท้เขาอยากจะมีสิ่งที่ใจแท้ของเราอยากจะมีมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ มันลองผิดลองถูกกันมาเป็นแบบนี้แหละไอ้ธรรมชาติที่ว่ารู้ใจของเราใจของเราที่ว่ามาเป็นธรรมชาติรู้มันจึงปลุกพุนไปหมดเพราะอาศัยความไม่รู้รู้ไปโดยอาศัยความไม่รู้จึงเกิดเป็นการยึดยึดยึ ด, ย, ดยึดเรื่องราวทั้งหลายในสภาวะทั้งปวงเข้ามาผูกพันกับใจใจมันดวงนิดเดียวนะแต่อาศัยความไม่รู้ ที่รู้ไปกับความไม่รู้หลงแล้วก็ไปยึดยึดยึดเอาไอ้นั่นมาผูกไว้เอาไอ้นี่มาผูกไว้เอาไอ้นั่นมาผูกไว้เอา ไ, าไอาไนา้นู้นมาผูกไว้ไอใจดวงนี้มันเลยไม่สามารถที่จะรองรับไอสิ่งที่ยึดซึ่งนำมาผูกไว้กับใจนั่นนะมันเหมือนกับเสาต้นเล็กๆต้นหนึ่งตั้งโดอยู่กลางพื้นดิ น, น, นอ้าว แล้วก็เอาไอ้นั่นไปผูกไว้เอาไอ้นี่ไปผูกไว้เอาไอ้นู้นไปผูกไว้เอาอ้นี้ไปผูกไว้มันรับได้ไม่มากครับแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็ล้มคลืนลงมานี่ใจนี้ก็เหมือนกันอาศัยความไม่รู้รู้ไปกับความไม่รู้แล้วก็เกิดความหลงตนเมาตนสําคัญตนแล้วก็ไปยึดยึดยึดยึดสิ่งทั้งหลายเข้ามา ภาระของใจมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน้ำหนักที่เกาะลงที่ใจมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นที่เราเรียกว่าว่าหนักอกหนักใจนั่นแหละหทุกท่านที่นั่งอยู่ตัวนี้พอพิจารณาถึงร่วงตัวเองนะพิจารณาตัวเองพิจิกไปข้างในพิจิกพนาพิจารณาเข้าไปที่จิตที่ใจของตนจะรู้ว่าแม่มันน่าหนักใจจริงๆมันหนักอกหนักใจจริง ๆ, ๆให้คนคนตัวคนเดียวนะไม่ได้มีคู่ครองกับเขา แต่พอพิจารณาก็ไปโอ้มันก็มีเยอะแยะมากมายมันหนักอกหนักใจจริงๆชีวิตจิตใจเราพร้อมที่จะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีและไอ้สิ่งที่ชื่อว่าเป็นของเรามันก็พร้อมที่จะไปจากเราทุกเวลาเพราะฉะนั้นไอ้ความหนักใจของความยึดมันเป็นอย่างนี้เรายึดไปแล้วเราพยายามพยายามพยายามที่จะยึดพยายามที่จะยื้อยึดไม่พอมันต้องยื้อไว้ด้วย เพราะมันพร้อมที่จะปเปลี่ยนพร้อมที่จะปเปลี่ยนพร้อมที่จะปเปลี่ยนต้ตลอดเวลานี่มันมาจากไหนล่ะมันก็ามาจากธรรมชาติใจที่เขาเป็นธรรมชาติรู้นี่แหละแต่เนื่องจากว่ามันไม่รู้มันก็เลยรู้ไปทั้งทั้งที่ไม่รู้จึงพาเราเป็นถึงขนาดนี้พาเรามาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยความไม่รู้นี้ เขาจึงเป็นที่มาของสังสารทุกข์ของสัพพทุกข์ความทุกข์ทั้งปวงมันจะเกิดจากความไม่รู้มันเราเจอพระพุทธเจ้าเรียกว่าเจออริยะผู้ประเสริฐเราเจอสัตบุรุษพอเราเจอเสรศ็จเราได้ฟังคำสอน ฟังคำสอนเสร็จเราพิจารณาใครครวนทำความเข้าใจสร้างความเรียนรู้เพื่อให้เกิดเป็นความรู้ในสัจจะทั้งหลายที่พระอริยผู้ประเสริฐที่สัตว์บุรุษทั้งหลายสอนนี่เป็นโชคลาบอันประเสริฐของเราที่ดีที่สุดี่เป็นจุดตั้งต้นให้กับจิตดวงนี้ที่สามารถ ยืนอยู่ได้สำหรับที่จะประคองเขาไปให้ถึงความสงบอย่างแท้จริงอันนี้เป็นโชคอันประเสริฐพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราได้เจออย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงทีนี้เราก็มาสร้างการเรียนรู้มาสร้างการเรียนรู้ตามความที่ ท่านผู้ประเสริฐได้ชดว้สร้างขึ้นที่ไหนล่ะก็สร้างขึ้นที่ใจของเรานี่แหละเอาเบื้องต้นเราไปรู้อะไรเา่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องไปกําหนดรู้กําหนดรู้ในสิ่งทั้งหลายในความเป็นเดิมๆของมันรู้ให้มันจริงมั่งอืรู้ให้มันจริงมั่ ง, ร, ร, ง, งรู้อย่างไรรู้ให้จริง ก็รู้ให้ไปที่เดิมๆของมันเช่นเรื่องรู้ธาตุความเป็นไปทั้งหลายแหล่นี่นอกจากว่าเราไปบัญญัติให้ความหมายให้ความสาคัญเขาแล้วมันมีแค่พวกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุควืยหรือข้างนอกเนี่ยไอ้แค่นแข็งก็เป็นธาตุดินอืบอาบเหลวๆก็เป็นธาตุน้า เพื่อนไหวพัดไปมาไม่เห็นรูปก็เป็นธาตุลมลักษณะร้อนรอนอุ่นอุ่นนั่นก็เป็นธาตุไข่เรามารู้เพียงแค่ธาตุสี่เนอมารู้เพียงแค่ธาตุสโอยเยอะแยะเยอะเยียยยยยยย่ไปหมดแล้วไม่มีอะไรสักชิ้นหนึ่งที่จะหลุดพ้นออกจากความเป็นธาตุสี่นี่ได้ธาตุทั้งสี่นี่แหละมันปรุงแตง่ง ผสมปรุงแต่งก่อให้เกิดเป็นสิ่งนั้นก่อให้เกิดเป็นสิ่งนี้ให้ออกมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุสีทั้งนั้นเลยรู้จักความเป็นธาตเดิมของมันนี่เรียกว่ากําหนดรู้พอรู้แล้วเป็นยังไงล่ะบางคนพอรู้เสร็จแล้วก็เกิดความสําคัญในธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินและเข้าใจว่าธาตุดินเป็นของเราแล้วก็หลงเพลินกับความเป็นธาตุดินจับอะไรขึ้นมาลลักษณะแข่นแข็ง เขาบัญญัติชื่อให้หรือเราตั้งเองว่ามันชื่ออย่างนั้นทั้งๆที่เดิมมันเป็นดินนะแต่เราก็ไปบัญญัติแล้ให้ความหมายให้ความสำคัญแล้วก็สำคัญว่าเป็นของเราแล้วก็เพลิดเพลินหลงไหลอยู่กับมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆรืยๆแล้วในที่สุดเราก็เป็นทุกเพราะดินเพราะน้ำเพราะลมเพราะควา เพราะฉะนั้นไอ้แรกๆเนี uki, ่ยมันก็ต้องรู้ประลุเป็นเดิมๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้พิจารณาให้เห็นความจริงของมันไปเรื่อยๆบ้างอืมไม่ใช่พิจารณาแล้วว่าของกูพิจารณาแล้วว่าของกูไอ้นั่นกัของกูไอ้นี่ก็ของกูของกูอย่างเดียวไอ้อย่างนี้มันพิจารณาด้วยความไม่ดูเพราะฉะนั้นแรกๆเราก็ต้องรู้รู้ลักษณะความเป็นเดิมของมันโดยความเป็นท่าจากนั้นก็รู้ลักษณะของมันว่ามันเป็น เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็แ ป, ปรปลวนนี่พิจารณาอย่างนี้บ้างเอให้จิตเรามันได้พิจารณาอย่างนี้บ้างจับเสื้อขึ้นมาตัวหนึ่งดูสิเออมันเป็นธาตุดินเพราะลักษณะแข็งแข็งไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันไปนเข้าไปถึงดินให้ได้มันเออมันมันเป็นดินเพราะลักษณะแข็งแข็งถ้าตั้งทิ้งไว้ไม่นานมันก็เปื่อยผูพังกลายเป็นธาตุดินไปไอ้นี่มันเป็นดินจริงๆ ชื่อยี่ห้อของเสื้อแบรนด์เนมนั่นน่ะมันเริ่มปรุงเริ่มหลอกเราขึ้นมาแล้วแล้วเราก็วิ่งหาเนะีถ้าไม่มียี่ห้อนี้ต้องหายี่ห้อนี้ขึ้นไปห้างนี้หาเสื้อตัวนี้ไม่มีไม่มีมมมมมมยี่ห้อนี้ไม่เอาไปห้างอื่นอีกไปห้างอื่นก็ไปหาอีกก็บอกไม่มีที่นั่นแนะนำว่าโน่นไะ มีอยู่ร้านหนึ่งงางหนึ่งอยู่ใกล้กับสถ า, านีรถควายคว้าที่ฮ่องกงบางคนถึงขนาดต้องซื้อตั๋วเครื่องบินบินไปฮ่องกงเพื่อไปหาไอ้เชือตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยดูที่มันไปได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นในความปรุงแต่งในความหลงสมมติในความอาศัยความไม่รู้ที่จิตแล้วมันก็อยากรู้มันก็ปรุงไปแบบเนี้ยททั้งที่พระพุทธเจ้า สอนเราเรื่องเสื้อผ้าว่าอย่างไรให้พิจารณาโดยความเป็นธาตุว่ามันเป็นธาตุดินนะและทีนี้เราเอามาเพื่ออะไรแกนสารของเสื้อผ้ามีอยู่สองประการประการที่หนึ่งคือปกปิดอวัยวะอันนำมาซึ่งความละอายอืมไอ้นี่บางทีที่ไปเอาถึงฮ่องกงสิงคโปร์นี่เอามาแล้วปิดไม่มิดนะ มันมันปิดไม่มิดนะเออผ้าผืนหนึ่งสําหรับที่จะมาใช้กับเราที่ใช้ได้จริงๆเต็มพื้นที่กายนี้ก็ตอนห่อศพเท่านั้นนะ่ะอใช้ทั้งผืนมิดเลยเออใช้ใช้ปิดมิดทั้งหัวทั้งเท้าทั้งอะไรปิดมีดโตแล้วรัดแน่นด้วยแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ย ยิ่งมีการแข่งขันเรื่องการตลาดมากกันขึ้นเท่าใดมีอะไรมากเท่าใดมันยิ่งมีพื้นที่ของเสื้อผ้าเนื้อที่ของผ้าที่อยู่ที่กายน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันท่านสนะังเกตดทูทั้งทั้งที่เป้าหมายของการใช้เสื้อผ้านี่มีอยู่สองประเด็นหนึ่งปกปิดอวัยวะอันนามาซึ่งความละอาย พิเนาโนาประการที่สองป้องกันอันตรายอันเกิดจากธรรมชาติบางอย่างเช่นสัตว์บางชนิดวินยุงหรืออันตรายจากดินฟ้าอากาศเช่นความร้อนความหนาวปกป้องอันตรายแค่เนี้ยนี่คือแก่นสารของการทรายเสื้อผ้าแต่ว่าเราใส่เราใส่ไปเพื่ออะไร ต้อง ไ, ไปหากันนะเพราะฉะนั้นที่มันลำบากอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมันมีธรรมเนียมมีค่านิยมมีการอะไรกรันอีกเยอะแยะกระแสนิยมทั้งหลายแหละบ้าคลัง่งเพราะมันหลุดออกไปจากความไม่รู้ไม่ได้กำหนดรู้ถึงโดยความเป็นธาตุและความจำเป็นที่จะต้องใช้ หลุดออกไปหมดนี่เฉพาะไอ้เรื่องเรื่องแต่งกายอย่างเดียวดูนะอาศัยความไม่รู้เนี่ยโลกนี้มันปรุงแต่งทำให้มนุษย์ต้องอยู่อย่างเป็นทุกข์ต้องอยู่อย่างเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการแต่งกายและที่ทุกข์เนี่ยไม่ได้เข้าในวัตถุประสงค์การใช้เสื้อผ้าในสองประการที่ว่าเลยปกปิดอวัยวะอนามาซึ่งความละอาย ตัวละสี่สิบเก้าบาทปิดได้ไหมปิดได้แล้วก็มิดชิดดีกว่าด้วยถามว่าป้องแดดกันร้อนกันหนาวได้ไหมก็ได้แล้วก็ได้ดีกว่าด้วยออมันได้หมดเราได้ไม่ได้ใช้ให้มันตรงต่อสิ่งที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นการกาหนดรู้ของเรามันจึง ถูกกำหนดด้วยความไม่รู้เพราะสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาในฐานะผู้ปฏิบัติต้องหัดพิจารณาหัดใช้การกำดนดรู้ถึงความเป็นจริงโดยความเป็นธาตุโดยความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไว้ในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุงง่งห่มในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันในเรื่องที่อยู่อาศัยก็เหมือนกัน ในเรื่องของยารักษาโรคทั้งหลายก็เหมือนกันทุกอย่างก็เหมือนกันแม้กระทั่งโทรศัพท์เทคโนโลยีทั้งหลายมันจะพัฒนาไปแบบไหนแต่เราจะต้องรู้จากมันในฐานะที่มันคือของใช้ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ว่ามันคือของใช้คำว่าของใช้มันเป็นธาตุดิน มีความจำเป็นแค่เป็นของใช้ของใช้ของใช้มันจึงใช้ในเวลาที่เราจะใช้เราจึงเป็นนายมันไม่ใช่เป็นคีย์ค่ามันไม่ใช่เป็นทาตของมันคำว่าของใช้ถ้านึกถึงเหมือนแปรงสีควันทบู่เนี่ยยาสีควันแปรงสีควันมันเป็นของใช้มันอยู่ตรงไหนอยู่ห้องน้ําแล้วมันเจอเราตอนไหนตอนที่เราจะใช้ เราจะใช้ตอนไหนก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จับมันขึ้นมาก็แปลงแปลงแปลงแปลงแปลงแปลงเสร็จแล้วก็ล้างเก็บอีกทีหนึ่งที่เราจะเจอมันก็คือตอนไหนตอนที่ทานอาหารเสร็จนี่สำหรับบางคนบางคนก็ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเจอกันก็ได้แต่ว่าบางคนก็ทานอาหารเสร็จก็จับมาถึงก็จับถูๆ ถ, ถอยๆเสร็จเก็บแต่เราก็ไปไหนตอนไหนไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีความจาเป็นกับเรา เพราะมันคือของใช้เนเหมือนกันนะไอ้โทรศัพท์เตีวยวน้ตโปรีเนี่ยมันคือของใช้ของใช้ที่เป็นธาตุดินมันมีความจําเป็นในหนะที่มันเป็นของใชเออ้เราก็จะไม่เป็นขี้ข้าของมันจะได้ไม่เป็นทาสของมันเวลาจะใช้ก็ใช้ได้ไม่ใช้เราก็เก็บความรู้สึกมันต่างกันต่างกันกับการที่ขาดไม่ได้มันโอ้ ยิ่งใหญ่เลืเกินอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องกำ ด, ดรู้สภาพธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในชีวิตของเราที่เป็นรูปเป็นนามในเป็นธรรมชาตินี่โดยความที่มันเป็นธาตุเป็นของเดิมเป็นของแท้แล้วก็ปรุงแต่งออกมาศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงมันว่ามันมีความแปรปรวนไปตามสัภาพโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้านี่แหละ พอรู้จักมันเสร็จแล้วก็รู้ว่าสิ่งนี้มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพไม่สามารถตั้งอยู่ในสภาพเดิมได้มีปัจจัยบีบคั้นให้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีอยู่ในนั้นทุกๆุกชิ้นที่ยึดอยู่ที่ผูกติดอยู่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรียนรู้อย่างนี้กาหนดรู้แบบนี้เราก็จะปลดปลดภาระ ให้กระจิตของเราออกไปได้เยอะมากพิจารณาตัวไหนมันก็ปลดภาระออกไปได้พิจารณาตัวไหนมันก็ปลดออกภาระออกไปได้พิจารณาตัวไหนมันก็ปลดภาระออกไปได้พิจารณาตัวไหนมันก็ปลดภาระออกไปได้เหมือนเราไปยืนดูเสาเสาหนึ่งนั่นแหละเสาเล็กๆเสาไม้ที่ตั้งอยู่แล้วมันมีอะไรผูกอยู่แล้วมันก็โค้งโน้มลงมาจะถึงพื้นดินอยู่แล้ว เราไปยืนพิจารณาดูทํำไมมันโค้งขึ้นมาอย่างอ๋อมันมีสิ่งมาผูกติดอยู่ที่เสาต้นนี้นี่ว่าเราดูสิออไอ้อนี่มันไม่ใช่ของเดิมนี่มันของมาผูกยึดติดอยู่ก็แกะออกไปเราแกะออกไปมากเท่าใดเสามันก็จะดีดกลับมาตั้งตรงขึ้นมากตอนนั้นแหละจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าเราแกะไอ้สิ่งยึดยึดยึดยึดยึ ด, ย ด, ยดทั้งหลายด้วยการกําหนดรูปพิจนะารณาเงี่ยถึงความเป็นจริงของมันแต่และอย่างแต่และอย่างแต่และอย่างแล้วเนี่ยจิตก็จะเข้าสู่ความเป็น จิตเดิมจิตแท้ได้และก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างความเรียนรู้ให้กับจิตมันจึงมีความจำเป็นและก็สำคัญแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไวน้นี้ไม่มีอันอื่นเลยมุ่งไปที่การฝึกจิตมุ่งไปที่การขัดเกลาฝึกฝน ล้วนๆทุกข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีไม่มีที่จะตกไปใต้ของไอสิ่งสมมุติทั้งหลายไม่มีที่จะตกอยู่ในอำนาจของความหลงความเพลินไม่มีที่จะต้องไปตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภและที่เราโดดเด่นที่สุดเพราะของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง ปฏิบัติได้จริงใครทําคนนั้นได้ไอ้นี่เป็นโดดเด่นที่สุดเลยในคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยโดดเด่นมากคนไหนทําคนนั้นได้คนไหนทําคนนั้นได้ได้แล้วดีจริงๆได้แล้วดีจริงจริงนี่เ ป, นเป็นเรื่องธรรมชาติทางจิตใจเมื่อฝึกฝนแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ดีฝึกฝนแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ดีไม่มีใครที่จะพลาดพลั้งจากโอกาสนี้ไปได้ ถ้าหากว่าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วนั้นธรรมะทั้งหมดของผู้เจ้าจึงพุ่งตรงไปที่จิตทั้งนั้นศีลก็พุ่งไปที่จิตสมาธิก็พุ่งไปที่จิตปัญญาก็พุ่งไปที่จิตแม้แก่กลงังธรรมะอื่นๆอันใดที่เราเคยเรียนเคยรู้มาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันพุ่งไปที่จิตถ้าจิตไม่ได้นำไปใช้ไม่สามารถที่จะเกิดเป็นธรรมขึ้นมาที่จิตนี้ได้ ไม่ใช้ได้กับการอย่างอื่นพุ่งไปที่จิตอย่างเดียวเมตตาก็ตรงไปที่จิตขันติก็ตรงไปที่จิตฮิริโอตาปะก็ตรงไปที่จิตทุกอย่างพุ่งไปที่จิตของเราทั้งนั้นถ้าเราไม่ฝึกปล่อยให้จิตตกอยู่ใต้อํานาจของนิวรณ์หมักห ม, มมอาชวะไปเรื่อยๆแล้วตัวเอก็ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปแต่ยกจิตไปเป็นขี้ข้าของนิวรณ์อยู่ใต้อํานาจความโลภความโกรธความหลงไม่มี การจิตกรรใจที่จะไปขัดเกลาจิตตัวนี้ไม่มีประโยชน์กับการฝึกฝนและปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่ตรงมันเข้าไปไม่ถึงมันเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราว่ายน้ำบนบกเราต้องการว่ายน้ำแต่ที่เหละได้มันนอนกอดห่วงยางอยู่บนบ ก, ว, กว่ายมือควายควายควายควายแต่มันไม่ไปมันเคลื่อนที่ไม่ได้ เพราะว่ามันนอนอยู่บนบกมันไม่ใช่นอนอยู่ในน้ำเหมือนกันคำสอนของพระผู้เเจ้านี่พุ่งตรงไปที่จิตต้องมีจิตมีใจแล้วทาในนั้นฝึกทาในนั้นเราก็จะเข้าถึงและเราก็จะได้ได้ทุกคนเพราะว่ามันโดดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมีอยู่จริงนี่แหละ ตลอดระยะเวลามา4ี่วันนี้เป็นครั้งที่4ี่สบเเราอาศัยกายเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจริงๆมีแก่ใจสำหรับการฝึกจริงๆทุกอย่างของเราทุกคนพร้อมหมดเท่ากันมีต้นทุนที่เท่ากัน ไม่มีใครพิเศษกว่าใครรูปก็มีเหมือนกันนามก็มีเหมือนกันคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็มีรู้อยู่ด้วยกันการที่จะไปปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีพอๆกันไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครได้มากกว่าใครหรือมีมากกว่าใครมีเท่ากันทั้งนั้นขอให้มันตั้งลงที่ใจและก็ดําเดินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดหย่อนไม่หยุดหย่อนมีความเพียรที่คอยต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาต่อการปฏิบัติภาวนาของตนจิตนี้ก็จะได้รับการฝึกฝนและก็จะวุดทิงวิดุณหิ่งเวพุ่นหลังก็คือจ ะ, จะเจริญฮอกงามและก็ถึงความเผยบุญได้ในที่สุดเหมือนเหมือนกัน